พระธรรมเตสนาจาะดกเรื่องสังสินเทนูใจผูกทวนหกเรียบเรียงโดยอินสมชัยชมพูประเรียธรรมหกประโยกนักธรรมเอก <c oughs> อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงไายนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธเจ้า อาทโควอเทวีโยตัสมิงกเตอันญามัญยังมันตาณิตตาฏิสาวดุราสปุริตาตั้งหลายอนีใยญ่จักกล่าถึงนางเตวี หกนางมีปีน้องอยู่รวมห้องหอใจกันผ่านไัยปู่เท่าปิ๊กปอกเต่าเฮือนตนเขาเว้บนหาจองเกิดหันป่องอู้ายจริงคนควายแต่งห้างพ้อมจูอยางของหวานเอากวานสานใส่ไว้เฮอพ้อมไขจู่อั น, อน แล้วเอากันเมื่อวัยสึงเต่าไทยราชาว่าบัตินะดวแก้วขึ้นใหญ่แล้วหกใจมีใจหมายไข่กว่าลาเล่นป่าดงดานจักหื้อพานผู้เท่าติดแตเต่าตัวไปขอจอมไต้ที่ราชอนุญาตคุณานะ เออบุตตาจูผู้ใดไปสู่ดงรีพระภูมิตันเต้าฟังคำเก่าจากใครบ่รู้ในอุปาติแห่งนางราตวีก็วังดีปันปล่อยแก่ลูกน้อยตามใจก็มีหันเลยนะ ถาดนั่นหกเตวีบาปเ้าก็เรียกลูกเต้ามหาแล้วใครจ่าก็ทอยว่าดูราลูกน้อยหกใจกันสู่หม่ใครรู้ว่าปีน้องสู่อยู่ตัางใดจุงจากไปกับปู่เตียวเข้าสู่ดงตันก็จักหันแหนมันปีสู่นั่นกวรอํา เป็นราชาสีงามอง์อาจคนดังวาดคำแดงปูนดีแย่งใจจ้าส่วนน้องลาเป็นใจรูปขิงภผยผาเสดงามลำเลิดปูนดูถือทาโนติบเตตกับดาบวิเศษสลีกันใจกันจะกใครบอกแล้วแกลูกแก้วหกใจ นางที่พ่ายบาปเศร้าก็เอาเข้านมหวานอันใสง่วนสารละไว้เพื่อลูกแก่นไทยน้ำไปกับพรานไพรใจถอยเพื่อให้เจ้านัดน้อยโปที่ญาติว่าเข้านมหวานจีนจ้อยใสน้ำอ้อยสูตรงาในถุงป้าเบียดไว้สูอย่าได้เอากิน จุงอทาวายนอนดารินเจ้าจ้างอันอยู่สร้างดงท่านนั้นเดเตเมื่อนั้นหกใจรามปีน้องก็ลงจากห้องผังกากระพานปาลาอนายาบจาขึ้นขี่มาอักษร เรียบเดินจอนจ้าใจเขาป่าไม้ดงขวางไปตามตั้งเส้นเก่าอันพันเท่าเกยไปโบนันเท่าใดก็รอดภาษาสั์ยอดเชียงคานเข <c oughs> าจมบานจื่นสู่เขาไปสู่เรียวปันแล้วเอากันน้อมใบเสืง่งนางดาทัยสุวรรณ น, นาประพาและปตุมมาแม่โน้ จาเก่าถอยตาบมีแก่เตีวีตั้งกูคือได้รู้จูพักการแล้วเอาเขานมบานลายลากอันตนหากนำมาคือแก่อนุจาน้องเนาคือว่าเจ้าสินธนุใจก็มีหันแลยนะอันว่าสินธนุใจญาติพัญญาอาเสงซาพิจารณานะรู้รอดก่อสะตอดวางตํา แล้วไข่กำตานต่อว่าเขานมห่อเมืองไก่พองามใสแต่เหล่าขาน้องเนายินดีของข้ามีบ่อไรขอยกไว้ขึ้นไปของดงไัยมีมาเกเรื่องติบหากมีลายข้าขอท้าวไาี่เจ้ากินไต่เต้าเตียวตางเจ้าบุญขวังหน่อยนอ ก, ก็ยื่นห่อข้าวนม อันอูดมรถหนิงมีลายสิ่งลายพรกการฮกุมมานปีเจ้าปิกปอกเตาเมืองเมืองก็มีหันแหลนาเหมือนัันฮกกุ้มมันนอนาดากับปูเทาผ่านไฟก่อปอกไปสู่ห้องพระเตตองปุรีไข่ตา ม, มีเหล่าเกา่าเฮแม่เจ้าจูพักการ นางสามันบาปสาหกแม่เจ้าปาลาฟังกำจ่าตานเกาวซ้ำโคทเท้าเหลือใจรีบเร็วไวแต่งห้างพ้อมจุยางจุพาการ <c oughs> เอางวนสารใส่ไว้ฮือกแก่นไทยหกใจรีบพันภายไตเต้าเข้าป่าสาด้งตันไปถายปันยืนต่อแก่เจ้าน้อยนอบุญมี วันสองตีแถมเหล้าเพื่อเฮเจ้าโมระก็มีหันเละนะทันว่าหนอปุทธาทีิราชก็รู้ความสันเดียวลวดบ่อเลียวและพอบอ่อปาก็อกํำไดลงหอใจพระาตร กับสิงหาราชขลนคำแอวดงดำป่าไม้สะสอดไขดงนากันตาวันดาต่ำก้อยจักลับเหลี่ยมน้อยอยู่กันทอนจิงจักจอนปอกเตาคืนตีเก่าผังกาเงินงามตาสะอาดวันนาววลาเจียงขานส่วนกุมารลูกป่าพ่อมทวนนาหกคน ก่อขึ้นหนมาสู่ยังตีโอยู่ปาราคาบทุนสาเรล่าเก้าฮือแม่บาปเศร้าตามีก็มีฮั่นแลยนะถ้าต่อปารังทัแต่นั่นไปนาบเน่เดินจ่าหึงนานพระผู้บานกุศลราชอยู่ฝาสาตห์่อใจยินมีใจร้อนไหม เกิดใคใดกว่างคำจริงไครกำกาวถอยแก่ลูกน้อยหกใจว่าสู่ตั้งหลายมวลหมู่เคยไปสู่ดงนาหลายข่าวค้าแต่ใสบ่อหอนใดอันใดจุงจากไปแถมไมเสาะเลยไหลกว่างคำใดดงดำป่าไม้แม่นหาใดน้ำมา หันกับตาที่แจ้งปอจักแต่งรางวัลยืนยอปันบอดเจ้าแก่ลูกลาหกใจก็มีหันเลน่าต่างสุดตัวอันว่าหกดอเดากุมมันฟังราจะอง์การปอไทยร่อนเอาไม่เหลือใจว่ากลางดงไพ่ปากว้างมีแต่จังเสือมียักขีนี้พี่ป่าสอดเล่นลา่า <c oughs> ไปมาพระพิตตาปอไทยป่อยไข่ได้กวางคำพับดงดำเถื่อนทองบ่อหันจ่องตั้งมีก <c oughs> ว่างตัวดีดังกาวบ่อรูข่าวตั้งได้แม่นเราไปป่าไม้หาบ่อได้ตามคำเจ้าห่อคำปอเต้าเตียงโคดเฮาเลือลาย จุมหกใจปีน้องก็คืนสู่ห้องบันดาขาบทุนศาส <c oughs> เหล่าเก่าฮือแม่เจ้าตามีนางเตวีบาบเศร้าจริงตันเล่าจะใครว่าสู่จุงไปอย่าจ้าไปหาน้องลาสินธนุใจเตี้ยงสมใจใฟอัง ดังเจ้าจ้างหากพระสง์และนาปูนาติวเสในวันลุนรุงเจ้ากุ ม, มันหนอเนาหกใจ <c oughs> รีบพันภัยบ่จ้าขึ้นขีม่มาอัสดรรีบลัดจรเป่าไม่ตามตั้งใจเคยไปรีบเรลวไว้จันจันบุบบุญดันดงตัน จิงเอากันไปรอดภาสัดยอดเจียง้านแห่งนอโปที่ยันยอดซอยแล้วเกาวทอยเจียนจาไขทขี่าเกาอู่เฮเจ้ารู้จูพักการก็มีหันแลยนะ เมื่อนั้นสินธนใจญาาิฟังโอกาสกำจัแห่งผ้าตาพี่เจ้าจริงตันเล่าไขาคำว่ากว่างคนคำวิเศษอยู่ในเขตดงตันข้าเคยหันจใจใจบ่เว้นไว้วันใดเต้าอยู่ไกลลิวโลดลายรอยหยดกนนะนาดเม็นพี่ตาป่อไทยมักไขได้ไปดู <c oughs> จุงหมูซจูผู้จุงยังอยู่ใจบ้านบ่ปอนานแต่ใส่ขาจักไปไลลนำมากันหนอพุท ธ, ธากล่าวแล้วก่อกาดแก้วเร็วไวลงหอใจภาศาสตรขึ้นขี่สิ่งหาราตตัวหานสัยองสานบ่าจ่าป้อมเมฆฟ้าไปบนข้ามไพรสนเทือนทอง ไปรอดหองด้อยหลวงสั์ปันปวงลายหมูจุมนุ่มอยู่นำนาหนอพุทธติวัยลงยับในกว่างคำแล้วรีบนำปอกเตาฮือปีเจ้าหกใจว่าจุงเอาท้าไหวปอไทยฮือตานใดเล็งแยง อย่าเอาแกงลาบซาอย่าเอากว่าต่างได้กันเจ้าห่อใจตนพ่อได้เล่งพ่อเต็มตาจุงเอาขึ้นมาอย่าจะหือแกขาตามเดิมแดดเตอเหมือนนั่นหกกลุ่มบ้านผู้ปีมีใจกีใจบา้านเก่าคำบนันจื่นจ้อยต่อเจา้ายอดซอยสินธนูใจแล้วกาไก่รีพาว คืนสู่ดาวปุริทวายกว่างดีวิเศษเกิดในเขตดอยคำคือกว่างคำ่องแพวแก่เต่าแก้วปิตา <c oughs> แล้วทุนสารนมไบว่ากว่างตัวใหญ่ขนคำอยู่ดงดำป่าเศร้าคาลูกเต่าหกใจไปขนควาย่อไลจับยับใดนำมา พี่ตาเจ้าปอได้เล่งพอสมใจกันหันใส่แจ้งทีบอมีตีสังกาถึงวันมาไปนาขอเอากว่าขึ้นหลังไปปล่อยยังป่าเศร้าที่อยู่เก่าแดนมันเด็ดเตอ เมื่อนั้นพญากุศราดอยู่ภาสาเซวยสีฟังคำดีลูกเต้าจะาตานเล่ามุสาตนราชาไปรู้รักกิดอยู่ภายในว่าลูกใสใจลุ่มน้อยบ่อตำต้อยสามานเข้าดงดานป่าไม่จับหยับใดกวางคำบุญเตียงนำจูพู ควรจักอยู่แตนเมืองเต้าบนเรื่องเกิดแล้วก็เรียกลูกแก้วเรียวปันตกรางวัลหลายแหลยืนปันแก่หกใจก็มีหั่นและนาอาตาในกาละนั้นอันว่านังเตวีบาปเต้าก็เหือเปิ่นเหลาหรือสาตัวปาราศาสาวว่าลูกเต้าหกใจ มีบุญหลายใจเจ้าไปสอดป่าดงดำหันกวางค้ําตัวใหญ่จับยับใดนํามาพระพิตาปอเต้าใจจืดยาวยินดี <c oughs> รอางวันวีหลายแหล่ยื่นปันแกหกใจคนตั้งหลายไปรู้ก่อเก่าหรือนั้นสืบสืบกันไปนาบ่อเนินเจ้าหึงนาน ตัวสาทานเบื้องใหญ่หัวเ ข, ข่าไข่ยิงใจก็มีหันแลนาต่อปรังถ้าแต่นั้นไปนาบอน่อเดินจ้าเหย้าไก่เจ้าห่อใจตอนพ่อขึ้นใจต่อหกใจว่าบุญไผ่ลายกว่ามูจักหืออยู่แต่เมืองเต้าบุญเรื่องเกิดแล้วก็เรียกลูกแก้วมาหา มีอาญยาปันขาดว่าดุูราโดกรักราดหกใจคนตั้งลายเราไว้ตั้งแต่ไทยเดิมมาว่ายังมีป่าตัวใหญ่พอแต่ใส่กวนอามหัวมีสามดูลากตัวนั่นหากเป็นคำอยูผ้าจำคำเจ้าตี่ปืนเก้าจุ่มปู น้ำไหลจ้่บ่อขาดเป็นตั้งตาตลงมากลายเป็นกงกาแบกวางกูป่อองังเล่งหันจุงเอากันตั้งหมู่ออกไปสู่กงกาเสวงหาฮือได้ยังป่าใหญ่ควรอ้า ม, ามหัวมีสามเป็นแกนจริงจักแม่นตามไรแม่นหกใจลูกไทยจับยับได้น้ำา ฮอนกับตาที่แจงป่อจักแต่งรางวัลยืนย่อปันแกเจ้าเฮมาเต้านํำนาและนาเหมือนนั้นหกกุ่มมันดอนน้อยนาตําก้อยมองขีใจบอดีไหววันสะตานสันตังคิงหาตีปิงบ่ได ร้อนเดือดไม่ น, นำป่าเก็ตทำายที่จักอยู่ที่ได้จาเข้าปิจารณาขึ้นล่องก่อพุทธปองหันตางว่าเจ้าบนขวางน้องลาอันอยู่ป่าดงนาอาจจักหาหืดใดยังป่าใหญ่คำแดงเขาใจแข็งน้อมเก่าไว้ป่อเจ้าปุรี ว่าป่าตัวดีวิเศษแม่นอยู่เขตแดนใดคะจากไปซอ่อใสยับหือใดนำมาหือปิตาพ่อเจ้าได้พ่อเฝ้าเล็งแยงส่วนกว้างคำแดงผ่องแผ้วตาดังแก้ววันไว้คอขึ้นไปปล่อยไว้แดนป่าไม่สันเดิมและนะ เองวันมาผูกเจ้าจุมลูกเตา่าหกใจก่อไปถ่ายน้ไใบลาป่อไทยหอกควางแล้วนำกวางวิเศษเข้าสู่เขตไพรสนรีบเจี่ยวหุ่นบอจอดก่อไปรอดพังกาแห่งนอพุท ธ, ธติว้คือเจ้าแก่นไทยสินทนุใจ แล้วก็ไขตานต่อจุลกลอมุสหาวาพระพิตตาปอไทยตุกศกไม้ น, นำไขหันป่าคำบ่เศร้าเกิดปืนเก้าจุมโปลกระาดาดูยินหลากหัวมันหากมีสามตัวมันงามสว่างแฮมดังปืนเต็มลายคำ ยิงคาบจำตขคาเฮือภาคนามหาขอพาตาน้องไทยช่วยป่อไว้ป่อไว้เรียวปันแบนได้หันแจงทีสวดเสียงตีคนิงก้องตุกขี่มองไม่มาเตียงก้อยกาดหายไปแลวนะ เมื่อนั่นหล่อปุธานนมเนาฟังกำเหล่าหกใจก็พันภายขึ้นขีบนหลงังปีสิงหาราตรีวันสัญญองยันไว้วาดโดยอากาศไปบนก็ถึงห่นแห่งห้องพาเตต้องเมรุราดกีรีหันนาตีแม่น้ำไหลออกทำเป็นสาย แล้วไปไกลตีไกลปืนตนไม่จุมปูเจ้าบุญจูพอสั้นตนไม่นั่นดูงามลูกมันลำเรือแลกิ่งจี้แพติสากิ่งดึงนันนาจี้วันออกกิ่งดึงบอกคนเหนือใบใหญ่เจีอจุดที่กิ่งหนึ่งจี้วันตกกิ่งหนึ่งปุ๊บหุ่นตาย ร่มกว้างใหญ่สุดตาสัตนานามวนหมูจุมลุ่มอยู่เนื่องนั้นทุกข์ขึ้นวันอยู่เฝ้าตีปืนเก่าจุมปูเ <c oughs> ถงระดูด้วยไม้สุกแหมไข่ตกดินสัตวได้กินรอดห้องวันนพ่องต่อตาฝุงโรกาปาดบ่มาปาดสันดาน ลูกมันหวานเดือแลรสสาแพ้เอาใจแม่นลูกได้สุกจำตกใส่น้ำนาตีผู้ปามีายหมูแล่นมาสู่เป็นสายกินแล้วกายพองแผ่เป็นปลาแก้วและเงินคำมีดานำลายแล่ลาเล่นแผ่ไปมาน้ำนั่นนาสะอาดไหลละลาดเป็นสาย รอดตั้งปลายใหญ่กว้างเป็นตาตั้งกงกานำ้ำไหลมารอทองพระเตต้องแดนไทยโบรานไข่บอกไ ว, ว้ว่าโลกใต้จุมปูเปืืออันแลนา <c oughs> อันว่าสินธนุใจดอนเนานั่งปืนเก้าจุมปูพอเล็งดูใต้น้ำหั่นเสียงซ้ำดินาย ปาค้ำลายเลือแลป่ปาเงินแผ่ลายตัวปาสามหัวหาบอดได้เจ้าหนอไทยจริงอธิษฐานว่าสมปานแห่งข้าบ่อตาจายังมีขอลูกดีหน่วยไม่กับเป็ดได้เป็นปามีลักขณาดูหลากดังข้าหากพระทรงกันหนอพุท ธ, ธองค์กาวแลวกว่าเอาธนูแก้วยิงไป <c oughs> สมกาดนิ่งในบอกกาดโลอกไม่หยาดลงมาไกลาเป็นป่าพองแพวพอดูแล้วหันงามหัวมีสามแต่เหล่าตัวมันเต่าลำแขนเจ้าคำแสนนอไทยกำเอาใดเร็วปั่นแล้วไผยพันขึ้นสู่ยังตี้อยู่ผางกา เอาตัวป่าบ่าเศร้าเฮอแก่พี่เจ้าหกใจว่าปีตั้งหลายอย่าจ้าจุงปอกนาเร็วไว้เฮือใส่ใจเจ้าป่อได้เล่งพอปะคำคอดังกำไฟอางเฮือเจ้าจัางใจบานแดดเตอ <c oughs> เหมือนนั่นจุ่มหนุ่มเนาหกใจมีใจพายจืนสูรีบขื้นสูเวียงใจกันว่าไปรอดแล้วตีพาศาตรแก้วปีตาก็ถ้าวายปลาตัวใหญ่แก่เต่าไทยผู้มีว่าปลาตัวดีนี่เรา ข้าหลูกเต้านำมาจากกงกาแมกวางฮื้อสมไฟอ่างคันนิงในคอจอมไตเจ้าป่อจุงจักพอลิงดูเดเตเมือนนันพญากุศลราชฟังโอกาสทุนสาแห่งบุตรตาดมเหาเต้าเป็นเจ้ายินดี ร่างวันมีหลายแลยื่นปันแก่หกใจแล่นาตะโตปัญญาแรกแต่นั่นไปไปนา <c oughs> บอน่อนันจ้าหึงนานพระผู้บานกุศสราชกึดรู้ขวาดคนิงหายังสู้นันตานองลาัญญากาดงไพ อุ้มออกไปผ่าข้างบอ่อรูข้างหรือตายบ่มีใครบ่มีหมายรูกขาวว่าอยู่ดาวแดนใดเจ้าหอใจเกิดแล้วจิงเรียกลูกแก้วหกใจมาหนังยายตั้งหมู่พอมน่าอยู่โรงกันแล้วไขรปันบอกเราตั้งแต่เก่าเดิน ม, มา ฮือบุตรจูผู้ใดแจ้งรู้ต่บมีเจ้าปุริกล่าวต่อว่าดูราลูรักหนอสายใจแม่นคนใดองอาจจบชะลาดสิงซาตุยเอาอามาได้ฮือพ่อได้เล่งหันจักเกณฑ์ปั่นเมืองกวางฮือเป็นเจ้าจ้างผาพาระและนา วันตีนั่นหกกลุ่มมันหน่อเนานบกมเก่าวันตาขาบทุนสาปอไทยว่าขออย่าได้เครื่องใจขาจักไปตั้งหมูแ <c oughs> ม่นอยู่ดงรีกับยักษ์พีกาหยาบจากรบภาพเอามาแม่นอยู่ปาราเตต้องคงเขตทองธานี บ่เป็นผีมวยมาว้างบ่วาคั้งแดนใดจักตัวไป ส, อส่อใสเอาหือใดขึ้นมา <c oughs> ขอพีตาป่อเจ้าอย่าโศกเศรามองผ่านจุงสำรานจีนจ้อยในผาสาัดซอยวันไวแดดเตอตกันกุมบ้านดนอนเนางามบ่เศราหกใจขับทุนทาวายดังนี้แล้วก็กาดแก้วขึ้นหน ไปบนภาษาสแห่งดังราตเทวีไขว่าติเราเก้าฮือแม่เจ้าจูภาการก็มีฮันและนา <c oughs> เมื่อ น, นั่นหกเทวีบาปเศร่อกตานเหล่าซอนไขว่าจุงไปอย่าจ้าไปหาน้องลาสินธนูใจฮือมันไปป่าไม่ ซอสอดใส่สแสวงหาเอาอย่างอาเป็นเจ้าปิกปอกเต่ามาปั้นกันตัวมันมารอดอย่าละตอดนั้นไปจุงเร็วไว้อย่าจ้าช่วยกันข่าสับฟันือตัวมันไว้ยมากงตายขาดังเป็นผีเอาอานนี้มาสู่ยังที่อยู่เราราแล้วทุนสาน่อมว้ซึ่งเต่าไทยหอใจว่าสูนี่ไปรบผา กับยักหญ่ป่าลาตัวเอาอาเมใดฮือป่อไทยเล่งหันเต้าจักปันยศใหญ่ฮือสู่ใดแต่เมืองเจ้กรุงเรื่องแผ่กว้างเป็นเจ้าจังปุรีนางเตวีบาบเศร้าสอนลูกเต้าหลพักการก็มีห้ำและนา วอนติวะเศษในวรลุนรุงเจ้าจุ้มหนุ่มเดาหกใจก็พันภายบ่จ้าขึ้นขี่มาอาจารย์ใรีเปรียรวไวไต่เตาก็ไปรอดเจ้าบุญมีไขว่าตีจุนหล่อว่าเต้าป่อราจา สั่งกำมาแหนมันือนองจันสินธนุใจเข้าดงไพรป่าไม้อออแอวซอไซสวงหาตัวหาเป็นเจ้าจื่อนังหนอนเนาสุนันตาอัญกขายาจ้าอุ้มเอากานีหายกันขุนขวขยมาได้เฮป่อไทยเล่งหันป่อจักปันเมืองกวาง เฮือเป็นเจ้าจ้างภาพตั้งโคงเฮือคนโรงไัยไตยหายโศกไม่เจอยบ้านหกกุมามร น, นอนเนาลมเหล่าเป้านานาด้วยว่าจะอ่อนอ้อยเปือือฮือเจ้านอน้ อ, อยบุญมีเข้าดงรีป่าไม่เอาอาแก่นไทยขึ้นมาก็มีวันนั้นแหละนา เนธิตังขีญาสังวันนาาวิเศษจาห้องเหตุสังสินธนุใจผูกดวนหกเกาะบังกุมสมร็จเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแลว